ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เลยเอาปัจจัยไปทางนี้ไปถวายพระสงฆ์ด้วยแล้วก็จัดงานด้วยจัดทายาติโยมในกลุ่มของเราได้นะถวายหลวงพ่อมาคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อเก็บเก็บเก็บไปอ่ามันเหลื อ, อยังไงหลวงพ่อเอาปัจจัยวัดเนี่ยเพราะถือว่าคุณแม่เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ท่านได้มาช่วยวัดของเราท่านบอกว่า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 เราเกิดมาเป็นลูกใครเป็นลูกชาวนาเมื่อเป็นลูกชาวนาเราต้องอยู่แบบชาวนามีอะไรมาใช้ใช้ตามที่มันมีมันเกิด อ, อ, อย่าไปโลโภโหมโงกณะอย่าไปหาสะแหวงหาอย่าไปหาเงินหาเงินออกเอาเงินจากคนอื่นมาทมําบุญเอาเงินคนอื่นมาใช้เรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ตามที่มันมีมันเกิดในเมื่อเรา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 เป็นเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีเงินในชาตินั้นเราจึงค่อยทำทำเอาอย่างเต็มที่เพราะเหนล้วเรามีเงินแต่เมื่อตัวเองทุกอยากาไปหาเงินคนอื่นามาสร้างม า, มาทำมาทำบุญแต่เมื่อตัวเองร่ารวยขึ้นมาหลงเป็นทางสุรานารีภาชีกิฬาบัรหมักหมมเป็นในอบายามุก อ, อันนั้นแหละวิญญาณโง่หลงปู่จามธนวัฒ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 คนที่ไม่ลืมพระคุณของคนไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าไปนะทนสถานที่ใดเนรและคุณคนอิจฉาคนพยาบาทจองลางจองผานคนมีแต่ความจิบหายกับคนคนนั้นถึงจะไม่กล่าไม่แช่งก็เถอะมันความจีบหายมันอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจัาาตยายาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่า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 ลุงพ่อจะต้องพูดตาหลักเหตุผลนะไม่ครับไม่ได้ใช่ว่าจะดูถูกเหย็ดยำ้ำผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่มีนะอต้องพูดตาหลักเหตุผลฟังดูซินี่ที่ลุงพ่อพูดนะมีเหตุผลไหมมีเหตุมีผลไหมถ้าไม่มีเหตุมีผลลุงพ่อกลับพูดกลับคํากลับคําพูดใหม่ก็ได้เอถ้าอ้างผู้อื่นมีเหตุผลเหนือกว่านะ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 ผู้ใหญ่ผู้น้อยทําได้ทั้งหมดน่ะอทําความดีทําความชั่วนะไม่ได้เลือกนะเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเราก็ทําความดีเป็นผู้ใหญ่ก็ทําความดีเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เอเราจะทําอย่างลูกก็ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นลูกเราจะทําตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นลูกน้องเราจะทําตัวเป็นเจ้านายก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นเจ้านาย